วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่หมกราคมพุทธศักราช2560แวดเป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นวันสำคัญ <c oughs> ของพุทธศาสนิกชน ผู้ฝ่ทำเพราะเป็นวันที่จะต้องมาทำธุระทางด้านจิตใจคือมาศึกษามาปฏิบัติทำเพื่อการดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจำเป็นที่จะต้องมีวัน ต้องมีวันที่จะต้องมาศึกษาและมาปฏิบัติเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้วิธีของการปฏิบัติดับทุกข์ได้อย่างไร mm hmm. จึงต้องมีวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรจะหยุด ภารกิจการงานต่างๆการทรมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองควรจะหยุดหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่หยุดนี้มาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมสมัยก่อน วันพระจะตรงกับวันหยุดทำงานคือวันหยุดทำงานจะตรงกับวันพระเพราะฉะนั้นวันพระก็จะว่างจากภารกิจการงานต่างๆแต่ปัจจุบันนี้วันหยุดทำงานได้เปลี่ยนไปจากวันพระไปให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จึงทำให้ผู้ที่หยุดทางานวันเสาร์วันอาทิตย์ ไม่สามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในวันพระได้เพราะวันพระมักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เสมอไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้ก็ตรงกับวันจันทร์อาทิตย์หน้าก็จะตรงกับวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเลื่อนไปเป็นวันอังคาร วันพุธวันพระรหัสซึ่งถ้าเป็นวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำงานสาธุชนพุทธบริศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ต้องไปทำงานก็จะขาดวันพระไปขาดวันศึกษาวันปฏิบัติธรรมไปก็จะเป็นการเสียโอกาสอันเลิศอันเปรตเพราะว่า การศึกษาการปฏิบัตินี่แหละที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะฝังอยู่ในใจไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะหมดสิ้นไปได้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายธรรม ที่ยังต้องทำงานตามตามเวลาที่เขากำหนดคือจันถึงสุกแล้วก็ประหยุดงานวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ควรเดือนวันพระให้ไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แทนเช่นวันนี้ต้องไปทำงานไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมได้ก็ย้ายวันพระไปให้อยู่ ตรงกับวันที่เราหยุดทำงานแทน mm hmm. เช่นถ้าหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลือกวันใดวันหนึ่งให้กับการศึกษากับการปฏิบัติทำวันหยุดทำงานของเราให้เป็นวันพระของเราไป mm hmm. ไม่จำเป็นที่จะต้องตามวันพระที่ทางทางศาสนากาหนดเอาไว้เพราะทางศาสนานี้ยึดรูปแบบเดิม ยืดรูปแบบสมัยโบราณยืดตามแนวของจันทรคติคือดูตามวันขึ้นแรมของดวงจันทร์ขึ้นแปดค่ําขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นเจ็ดค่ําอะไรทํำนองนี้แรมแปดค่ําแรมสิบห้าค่ำแรมสิบสี่ค่ำเป็นวันพระ ซึ่งก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ตรงกับวันใดวันหนึ่งดังนั้นสมัยนี้เรามีวันหยุดทำงานที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แต่วันพระของเรานี้มันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสมอไปเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แทนเลือกกอาวันใดวันหนึ่งวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้ให้เป็นวันพระ เพื่อที่จะได้เอาวันพระนี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพื่อกํำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่สามารถบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นอยารู้เห็นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะสามารถรู้สามารถเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ mm. เช่นรู้สวรรค์รู้นรก mm. รู้บุญ ร, รู้บาป รู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้มรรคผลนิพพานรู้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงว่ามีจริงหรือไม่เพ hmm. ียงแต่ได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้จริงยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นความจริงหรือไม่ ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่หมดไปจากใจได้ การจะรู้เห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สาระราชสมบัติออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งต่างๆที่ ไม่สามารถเห็นได้โดยการไม่ได้ปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่จะเห็นนี้มันอยู่ข้างในอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกนิ้นกาย สิ่งเหล่านี้ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นนรกไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดมไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานสิ่งที่จะเป็นมรรคผลนิพพานสิ่งที่เป็นสวรรค์เป็นนรกสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดนี่อยู่ข้างในใจของเราแต่ตอนนี้เรา ไม่เข้ามาดูใจของเรากันเราถูกกำหน้าของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาผลักดันให้เราไปดูข้างนอกกันผลักดันให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพัะชนิดต่างๆเพราะความหลงที่คิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัะชนิดต่างๆนั่นเอง แต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่มาแล้วก็ไปพอไปแล้วก็ปล่อยให้ใจเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเว<ม>จึงทำให้ต้องไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆพอเสรรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะวันนี้เสร็จ พอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสก็จางหายไปเหมือนควันไฟพอจางหายไปแล้วก็ทําให้ใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจรู้สึกไม่มีความสุขใจเอก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพอยู่เรื่อย การหารูปเสียงกิ่นรสมาเสกก็ไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนที่จะสามารถหามาได้เรื่อยๆบางเวลาก็ไม่มีกําลังที่จะไปหาเพราะรูปเสียงกิจรถบางอย่างก็ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยถ้าไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถที่จะไปเสกรูปเสียงกิ่นรถที่ต้องใช้เงินทองได้ พอไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็จะทําให้เกิดความเศร้าความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี่คือความหลงที่หลอกให้คิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทาพะชนิดต่างๆไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ข้างในใจอยู่ภายในเอต้องมา ต้องมาเจอนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าอย่าไปหลงกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัชนิดต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่ชั่วคราวเวลาที่มันหมดเวลาที่มันไม่มีจะทำให้ใจเราเศร้าหรือบางที เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑะก็เป็นของไม่แน่นอนเครื่องมือก็คือตาหูจมูกริ้นกายของเรานี่วันใดถ้าตาเสียไปก็ไม่สามารถเสดความสุขจากรูปต่างๆได้วันไหนถ้าหูเสียไปก็ไม่สามารถเสพเสียงได้ร่างกาย ก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆอวัยวะตาหูจมูกนิ้นกายก็จะเริ่มชำนุสดสทรุดโทรมไปแล้วต่อไปก็อาจจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้ใจก็จะอยู่อย่างเศร้ายุ่งเศร้าซ้อยง่อยเงาว้าเวจะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้ร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง จะไปไหนก็ต้องรอให้คนวะคนดูแลที่เขาว่างมาพาไปเวลาไปก็ไปอย่างทุรักทุเลต้องนั่งรถเข็นไปจะไปดูไปฟังอะไรก็หูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีนี่แหละคือโทษของการที่ถูกความหลงหลอกให้ใจออกไปข้างนอก ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพกันแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องหันใจเราให้กลับเข้าข้างในอย่าส่งใจออกนอกข้างนอกเป็นทุกข์เพรข้างนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยง ม, มันไม่ใช่เป็นของเรา มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดสั่งให้มันเที่ยงได้มันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการให้มันเสื่อมไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์นี่คือสิ่งที่เรา จะได้เรียนรู้จากการมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ว่าการมาสุขนี้เป็นทุกข์ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลามันให้ความสุขเราเป็นแบบชั่วครา้งชั่วคราว พอมันจางไปหายไปมันก็ทำให้ใจเราทุกข์ใจเราเศร้าขึ้นมาเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะส่งใจออกข้างนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้หันใจกลับเข้ามาข้างในดึงใจให้เข้ามาข้างในแล้วเราจะได้มาเสพกับความสุขที่แท้จริงความสิขที่อยู่คู่กับใจเรามาตลอดเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ ปรากฏขึ้นมาเพราะเราไม่ได้มาทำให้มันปรากฏขึ้นมานั่นเองเรามมวแต่ไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสโพธภาพชนิดต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขอันประเสริฐที่มีอยู่ภายในใจของเราจึงไม่ปรากฏขึ้นมาวันพร้นี้เป็นวันที่เราที่พู้เจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา หันใจกับเข้าข้างในอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสหนึ่งวันเช่นการถือศีลแปดการ ถ, ถือศีลแปดนี้ก็คือการระงับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสศีลข้อสามก็ให้ถืออบรมมจริยา <c oughs> ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ <c oughs> ไม่ให้หาความสุขจากการร่วมเพศกัน การน้มเพก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นกามาสุขเป็นความสุขที่เป็นทุกขเวลาที่ไม่ได้เสพเป็นหลนยาเสพติดเวลาได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ตามมาให้เราอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราจะไม่สามารถเสพมันได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองเบี่วิธีหาความสุข จากการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดให้มาเสบความสงบแทนให้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนี่คือสีลข้อสของสีห้าก็เปลี่ยนเป็นอบ ร, รมจริยาจากจากการเมสุมิฉาจาราการเมนสุมิฉาจาราคืออนุ ญ, ญาตให้ร่วมเพศได้ เึงแต่ว่าต้องร่วมเพศกับบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเท่านั้น <c oughs> คือภรรยาหรือสามีของเราไม่ให้ไปยุ่งกับภรรยาสามีบุตรธิดาของผู้อื่นให้ร่วมเพศกับคู่ครองของเราเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามาถึงศีลแปดนี้ก็ต้องเลิกร่วมเพศกันเลยไม่ให้เสษ ไม่ต้องการให้เอาเวลามาเสพกับความสุขทางการมาลุมต้องการให้เอาเวลามาเสพกับความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิ mm. เพราะถ้าเรามีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาหลับใจเราจะสามารถนั่งสมาธิให้สงบได้ สามารถเข้าสมาธิได้ mm hmm. เวลาเข้าสมาธิก็คือเวลาใจนิ่งสงบ mm hmm. พอใจนิ่งสงบใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันที mm hmm. ใจก็จะมีความสุขที่เลื่ยกว่าความสุขที่ได้จากการเสกนุ่มเสียงกลิ่นรสผดจั๊กฟพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> นัตติสันติบลังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นก็หมายถึงสุขที่ได้ทางตาหูจมูกนิ้วกายนั่นเองไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนก็ตามได้มาเพราะได้เงินได้ทองมาร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากการได้เป็นดักได้เป็นใหญ่เป็นโต ได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นพระมหากษัตริย์ความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าได้ลองสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วใจก็จะติดใจแล้วก็จะมีความยินดี มีฉันทาวิริยะมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไปมีความเพียรมากขึ้นต่อไปแทนที่จะหยุดงานอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อ ม, มาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันเพิ่มขึ้นม า, มากเท่าไหร่ความสงบก็จะได้มากขึ้นไปเท่านั้นได้บ่อยขึ้นไป พอได้ความสุขได้ความสงบบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็อ ย, นอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะอยากจะปฏิบัติทุกวันอยากจะศึกษาอยากปฏิบัติทุกวันอยากจะมีวันพระทุกวัน<ม>ก็จะตัดสินใจออกบวชกัน<ม>ไปเป็นพระเป็นชีกัน<ม><ม>เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว นักบวชในพระพุทธศาสนานี้มีหน้าที่ศึกษาวิธีทําใจให้สงบวิธีทําใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อได้ศึกษาแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัตินี่แหละคืองานที่แท้จริงของนักบวชในพระพุทธศาสนานักบวชไม่มีหน้าที่ที่จะมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างทาวา ล, ลวัถตถุต่างๆแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยกุฏิก็ ไม่ให้สร้างไม่ต้องสร้างให้หากิ่วแบบธรรมชาติสอนให้นักบวชอยู่ตามโคนไม้อาศัยล่มไม้เป็นที่หลบแดดแล้วถ้ามีฝนก็ทําเพิงจากกิ่งไม้ใบไม้พอที่จะหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องการให้เสียเวลากับการมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆต้องการให้เอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการศึกษา กับการปฏิบัติทำจิตใจให้สงบดึงจิตใจให้เข้าข้างในให้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้แต่ถ้ามาบวชแล้วไม่ได้มาศึกษาเรือศึกษาจากผิดผิดแหล่งไปศึกษากับคนที่สอนให้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย hmm. ์ก็จะหลงไป ก, กับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูป สมัยนี้มีการแข่งขันที่จะสร้างเจดีย์กันเยอะๆใหญ่ๆสูงๆมียอดเป็นทองคำสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆสร้างไปทำไมพระพุทธรูปพระเจดีย์เหล่านี้ทำใจให้เราสงบได้หรือเปล่าทำใจให้เรามีความสุขได้หรือเปล่ามันทำไม่ได้ไม่รู้จะสร้างไปกันทำไมพอไม่ได้ศึกษาไม่หลงคิดว่า นี่แหละคือบุญนั้นยิ่งใหญ่สร้างอวตารูปยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นแท้จริงแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเจดีย์ไม่ได้ทำให้ใจสงบเลยไม่การสร้างเจดีย์แทนที่ใจจะสงบใจก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาสร้างสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆแล้วก็จะ พาให้คนที่คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องหลงตามหลงมาตามสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันแทนที่จะสอนให้เขาไปสร้างพระในใจสร้างพระอริยบุคคลภายในใจด้วยการทำใจให้สงบพระอริยบุคคลเกิดจากการที่ทำใจให้สงบนั้นเองไม่ได้เกิดจากที่ไหนพระอริยบุคคลก็อยู่ในใจใจที่สงบอย่างถาวร ใจที่สงบด้วยสมาธินี้ยังไม่ไม่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นสงสมาธิเป็นความสงบแบบแบบชั่วคราว <c oughs> สงบในขณะที่อยู่ในสมาธิก็ <c oughs> <c oughs> ออกจากสมาธิมาความสงบก็หายไปได้เพราะสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นออกมาทำงานนั่นเองสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือกิเลสตัณหานเนี่ย ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เวลามันปรากฏขึ้นมาแต่ละครั้งนี้จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจที่สงบพอเกิดความโลภขึ้นมาก็จะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วธรรมดาอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรเวลาไม่มีความโลภอยู่อย่างสุขอย่างสบายพอมีอะไรมาลออใจให้เกิดความโลภขึ้นมาทั้งใจก็เด่นแสิอยู่เฉยๆไม่ได้นะว หรือเวลาอะไรไปสัมผัสกระทบ ก, กับอะไรที่ทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาใจก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาความสงบที่ได้จากสมาธิก็หายไปแต่สําหรับใจของพระอริยบุคคล น, นี้สงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและสงบทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมาเพราะพระอริยะบุคคล น, นี้เวลาใจออกจากสมาธิมาท่านใช้ปัญญา มาคอยรักษาความสงบต่อไปเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็ใช้ปัญญานี้มาระงับมันทันทีจึงทําให้กิเลสตัณหาไม่สามารถมาทําลายความสงบของพระอริยะบุคคลได้แต่ถ้าเป็นของปุถุชนของผู้ที่ยังไม่มีปัญญามีแต่สติเวลาออกจากสมาธิมาพอเพลิดสติเมื่อไหร่ กิเลสตัณหาก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้ทันทีสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้บดรรลุเป็นพระคคโสดาบันขึ้นไปถ้าอยากจะรักษาใจให้สงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อไปอย่าเพลิดสติอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาออกมาทำงาน คอยควบคุมความคิดไว้คอยหยุดความคิดไว้ it, เพราะกิเลสตัณหามันต้องอาศัยความคิดและต้องคอยสำนวจตาหูจมูกลิ้นกายด้วยไม่ส่งใจให้ไปเห็นรูปเสียงกลิน่นรสเพอถ้าเห็นรูปเสียงกลิน่นรสแล้วความโลภมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเห็นรูปเสียงกลิน่นรสที่ชอบก็จะเกิดความโลภขึ้นมาถ้าไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ผู้ที่ อยู่ในขั้นสมาธิขั้นสตินี้จาเป็นที่จะต้องใช้สติตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าสมาธิและหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก่อนที่จะเข้าสมาธิก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจไว้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายอย่าพาตาหูจมูกนิ้นกายไปหารูปสิงกิดขัที่จะทาให้เกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาเช่นไป เที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปช้อปปิ้งไปตามสถานช้อปปิง้งศูนย์การค้าต่างๆเพราะสถานที่เหล่านั้นจะมีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะปลุกหรือกระตุ้นให้เกิดความโลภความอยากขึ้นมานั่นเองเพราะเขาต้องการเอาเงินเราเขาก็ต้องเอาของมาล่อใจเราเอาของสวยๆมาให้เราดูเอาของสวยๆของน่ากิน น, น่าดื่มน่ารับประทานมาให้เราเห็น พอเห็นแล้วความโลภที่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงขีดรถจากสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ใจนี้วุ่นวายขึ้นมาทันทีความสงบนี้อยู่ที่ใจพระริยะบุคคลอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบที่ถาวรแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยการทาใจให้สงบด้วยสติก่อนเพราะถ้ายังไม่มีสติทำใจให้สงบนี้ จะไม่สามารถไปทำใจให้สงบด้วยปัญญาได้ปัญญาก็ต้องอาศัยสติอาศัยทั้งสติทั้งทั้งปัญญาถึงจะทำใจให้สงบอย่างถาวรได้ถ้ามีสติอย่างเดียวก็ทำให้ใจสงบแบบชั่วคราวได้เวลาที่มีสติใจก็จะสงบเวลาที่เผลอสติใจก็จะฟุ้งขึ้นมาทันทีเบื้องต้นต้องเจริญสติก่อน อย่าไปเจริญทั้งสติทั้งปัญญาพร้อมๆกันเพราะมันยากมันทำไม่ได้ต้องต้องเอาทีละอย่างก่อนเอาสติให้ได้ก่อนเมื่อได้สติแล้วก็จะสามารถที่จะใช้ปัญญาควบคู่กับสติมาคอยกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดสิ้นไปจากใจเลยสตินี้เพียงแต่กดความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ ไม่สามารถถอนรากถอนโคนของมันออกมาได้ต้องใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหารากโคนของกิเลสตัณหาก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ไม่รู้ตายลักไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองต้องใช้ปัญญามาสอนว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากเสพนี่มันเป็นตายลักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่าไปคิดว่ามันเป็นสุขอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเราคู่กับเราไปตลอดได้อะไรได้อะไรมาแล้วเรามักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเราถึงไปหามันมาแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ตัวว่ามันจะทำให้เรามีความทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยมมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะความสุขมันจะหมด พความสุขหมดความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้มองไม่เห็นกันไม่มีปัญญากันเห็นรูปเสียงคินรถที่ชอบก็คิดว่าจะได้ความสุขจากมันไปตลอดไม่เคยคิดว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่เคยคิดว่ามันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันดีคนดีมันก็อาจจะจากเราไปก็ได้มันไม่จากเราไปวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนมีการเกิดการดับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพที่เราไปครอบครองมันก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเวลามันดับไปสิ่งที่ตามมาสิ่งที่ให้กับใจก็คือความทุกข์ไงจะจะถอนกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องอาศัยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะไม่สามารถถอนกิเลสออกจากใจได้ถ้ามีแต่สติก็เพียงแต่กดมันไว้ทับมันไว้ไม่ให้มันแสดงตัวที่เวลานั่งสมาธินี้เราก็สรุปเราก็สำรวมตาหูจมูกนิ้งกายตาหูจมูกนิ้งกายเราไม่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วใจของเราก็ไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเข้าสมาธิพอพ อ, อ, อ, อ, อไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้ ความโลภความโกรธความหลงปรากฏขึ้นมาใจก็สงบใจก็เย็นสบายมีความสุขแต่แต่สตินี้ก็เพียงแต่กดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเราไม่สามารถเข้าอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีภาระรับผิดชอบร่างกายอยู่ร่างกายยังต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายอยู่ แล้วเราเข้าสมาธิไปมันก็ต้องรอให้เราออกจากสมาธิมาเมื่อถึงเวลาที่มันจะขับถ่ายมันก็จะแสดงอาการทุกขเวทนาขึ้นมาจนไปกระตุ้นจิตที่อยู่ในสมาธิให้ออกจากสมาธิมาเพราะอยู่ในสมาธิไม่ได้เมื่อเกิดทุกขเวทนาที่มีกําลังมากจิตก็รู้ว่าต้องออกมาเพื่อมาบรรเทาทุกขเวทนาของร่างกาย เช่นร่างกายต้องเข้าห้องน้ําห้องท่าร่างกายต้องดื่มต้องกินอะไรมือสีชีภัยที่เข้าฌานได้ก็เข้ากันได้เพียงระยะหนึ่งไม่สามารถเข้าฌานได้ตลอดเวลาทั้งเป็นปีทําไม่ได้เพราะต้องออกมาเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายเป็นช่วงๆออกจากสมาธิมามาดูแลร่างกายความต้องการของร่างกายเสร็จก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ได้ แต่กิเลสตัณหาทุกครั้งที่เวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาทํางานทันทีถ้าได้ขั้นสมาธิแล้วจึงเป็นถึงขั้นที่เราจะต้องไปเจริญขั้นปัญญาต่อไปขั้นปัญญาก็สอนใจให้เห็นว่าความไม่สงบนี้เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่มีร่ากเงาที่มาจากความหลงโมหะอวิชชา ที่หลงไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การได้ทำตามความอยากต่างๆแต่ความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมามันจะมาทาลายความสุขที่ได้จากความสงบไปความสุขที่ได้จากสมาธิมันจะหายไปเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันที ต้องเห็นโทษของความโลภความโกรธความอยากต่างๆว่าเป็นตัวที่มาทำให้ใจเราไม่สงบเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราต้องกาจัดความโลภความโกรธความอยากต่างๆเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาและการจะกาจัดมันอย่างถาวรได้ก็ต้องใช้ปัญญาคือต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปโลภไปอยากไปโกรธนี่มันเป็นทุกข์ ทุกข์่อมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอเวลามดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีให้เห็นอย่างนี้เห็นตายลักในสิ่งที่เราอยากเราโลภเราโกรธเห็นว่าความโลภความโกรธนี้เป็นเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่ทาให้ใจเราไม่มีความสงบ ถึงแม้จะได้สมาธิแล้วก็ตามพอจากสมาธิมาถ้าเผลอสติปล่อยให้เกิดความโลภความอยากโผลขึ้นมาเมื่อไหร่ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปทันทีแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ถ้าต้องการให้ความโลภความโกรธความหลงต่างๆไม่ปรากฏขึ้นมาก็ต้องถอนรากเหง้าของความโลภของความโกรธก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงนั่นเอง ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่ใจโลภใจอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นความโกรธก็เกิดจากการที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้เราก็จะโกรธโกรธคนที่มาขัดขวางไม่ให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้นี่ให้เห็นเห็นด้วยปัญญาว่า ความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี้ความอยากนี้มันเป็นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจถ้าไม่อยากให้ใจวุ่นวายอยากให้ใจสงบมีความสุขเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ต้องหยุดความอยากให้ได้เวลามันโผล่ขึ้นมาความโกรธมันก็เกิดจากการได้เกิดมาจากความอยากนี่แหละอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ก็ต้องไปหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความโกรธก็จะหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่ทเที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะให้ความสุขกับเราในเบื้องต้นตอนที่เราได้มาใหม่ๆแต่ต่อไปสิ่งที่ได้มามันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไป เวลามันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศไปห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ไปห้ามไม่ให้แดดออกไม่ได้ไปสั่งให้มันตกก็ไม่ได้ไปสั่งให้มันแดดออกก็ไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทาให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆพอมันเปลี่ยนไปจากสุขกลายเป็นไม่สุขเราใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีอัน mm. นี้คือการใช้ปัญญาถ้าอยากที่จะรักษาใจให้สงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต้องใช้ปัญญาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาใจเราเกิดความวุ่นวายขึ้นมาให้หาสาเหตุ ข, ของความวุ่นวายใจว่ามันเกิดจากอะไร มันก็เกิดจากตัณหาความอยากเนี่ยอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของเราพอมันไม่พอมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราใจเราก็วุ่นวายขึ้นมาทันที <Yeah. S 2> นี่แหละคือวิธีสร้างความสงบให้กับใจมีอยูสองระดับด้วยกันเบื้องต้นการระดับชั่วคราวก่อนระดับของสมาธิ <Yeah. S 1> แล้วพอเราได้ ชำนาญทางสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลามีสติที่จะอะหยุดความคิดได้ <S 1> <S 1> ขั้นต่อไปเราก็มาสอนใจให้มาหยุดความอยากเพราะความอยากมันก็ต้องใช้ความคิดนี้เป็นเครื่องมือ <S 1> <S 1> <S พอมันคิดอยากได้อะไรเราหยุดความคิดหรือเราหยุดหยุดมันด้วยปัญญาให้มันเห็นว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเท่านั้นแหละ เห็นงูพิษว่าเป็นปลาไหลเนี่ยคนที่ชอบกินปลาไหลพอเห็นงูพิษก็คิดคิดว่าเป็นปลาไหลก็จะไปคว้าไปจับมันทันทีแต่พอไปจับมันปั๊บก็จะถูกงูกัดตายได้เพราะไปหลงคิดว่าเป็นปลาไหลแต่ถ้าคนที่มีปัญญาจะรู้ว่าปลาไหลเป็นอย่างไรงูพิษเป็นอย่างไรพอเห็นว่าเป็นงูพิษก็จะไม่ไปแตะมันไม่ไปจับมันทันทีงูพิษก็คือสิ่งใดที่เป็นตายรักเนี่ยสิ่งนั้นเป็นงูพิษ สิ่งใดที่มีการเกิดสิ่งนั้นต้องมีการดับสิ่งนั้น่ะเป็นทุกข์ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นร่างกายของเรานี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเราก็เป็นงูพิษเหมือนกันแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นเป็นปลาไหลเราก็ไปเลย เ, เลยไปครอบครองร่างกายนี้มาเป็นสมบัติของเราออื พอได้มาแล้วก็เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่ให้มันแก่เจ็บตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติของเหตุของปัจจัยที่ทําให้มันโผล่ขึ้นมาและเหตุปัจจัยที่โผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้มันหายไปตายไปในที่สุดเราไม่เห็นตายลักเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองอยู่ทุกวันนี้ เราไปคิดว่ามันเป็นสุขขังนิจจังสุขขังอนาตามีแล้วมันจะให้ความสุขกับเราแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งของมันเป็นของที่จะต้องมีการเสื่อมมีการชุดสมูมมีการสิ้นสุดลงลวเวลากการเสื่อม ก, การสิ้นสุดลง มันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือที่จะเสพสิ่งต่างๆก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายนี่เราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพความสุขต่างๆได้ใจเราก็จะไม่มีความสุขให้เสพก็ใจก็เลยก็จะทุกข์เพราะไม่มีความสุข นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาถ้าเราจะใช้ปัญญาให้เรากำจัดความโลกความอยากต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาให้เราปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยา่างมีอย่างเป็นนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ยมทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเวลามันต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นธรรมชาติเป็นเหตุปัจจัยที่เราไม่สามารถไปห้ามไปควบคุมบังคับได้นี่คือการที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างถาวรสงบขั้นเสารดาบันเพราะว่าเราเราปล่อยวางเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายเราไม่ไปยุ่งกับเวทนาเราไม่ไปครอบครองไปยึดไปถือเวทนาร่างกายว่าเป็นของเรา เราไม่ไปหวังหาความสุขจากร่างกายไม่ไปหวังหาความสุขจากเวทนาถ้าเราไปหวังความสุขจากร่างกายเว pues ลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความสุขที่ได้จากทางร่รางกายก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราหวังความสุขจากการมีสุขเวทนา <c oughs> พอสุขเวทนาเปลี่ยนไปเป็นทุกขเวทนาใจเราก็จะท้องทุกขขึ้นมาทันทีนัน <c oughs> ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้ได้ แล้วใจเราจะสงบอย่างถาวรในระดับของพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่วุ่นวายไปกับทุกขเวทนาเวลามันปรากฏขึ้นมาอยู่เฉยๆกับมันได้เจ็บแค่ไหนเจ็บฟันปวดฟันเจ็บหลังเจ็บเข่าเจ็บอะไรต่างๆปวดหัวปวดศีรษะปวดท้องจะรุนแรงขนาดไหน ก็อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันเพราะไม่ไปยุ่งกับมันเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไปจับมันไปยึดไปติดมันมันยิ่งจะทําให้ทุกข์ใหญ่เพราะเวลาถ้าเราไปไปยึดกับเวทนาเราก็อยากจะให้มันเป็นสุขกับเวทนาอย่างเดียวพอเวลาเป็นทุกข์เวทนาปรากฏขึ้นมาเราก็จะอยากจะให้มันหายไปแต่มันไม่หายไปตามความอยากเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มัน โผลขึ้นมาแล้วมันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้มันหายไปเองเราไม่สามารถไปสั่งมันได้พอเราไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปใจเราก็ยิ่งทุกขขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราดับความทุกขทางใจได้ความทุกขที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแต่เราหยุดทุกขเราหยุดทุกขเวทนาไม่ได้ทุกขเวทนามันมาทางกายทางตาหูจมูกนิ้นกายเราไม่สามารถไปควบคุม สิ่งที่มาทางตาหูจมูกนิ้วกายได้แต่เราควบคุมทุกทางใจได้ทุกทางใจที่เกิดจากความอยากอยากให้ทุกกเวทนาเป็นสุขกเวทนาเท่านั้นเองอยากให้น่างกายก็เหมือนกันอยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวาง<ม>ให้มันยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายทุกกเวทนาก็ต้องยอมให้มันปรากฏขึ้นมา เวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็เป็นทุกขกเวทนาอเดี๋ยวมันก็กลายเป็นสุขกเวทนาอะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์กเวทนามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับดินฟ้าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวน้ําท่วมมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเป็นไปเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนมันได้เราไม่มีกําลังที่จะไปห้ามเหตุปัจจัยต่างๆได้แต่ถ้าเราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกข์ได้ ด้วยการไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยวางมันปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนานี่คือความสามารถของพระโสดาบันใจของพระโสดาบันก็เลยสุสงบเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปพระโสดาบันไม่เดือดร้อนแต่พระโสดาบันยังมีความทุกข์อยู่กับการอารมณ์ยังไปหลงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสวยงามอยู่ เนร่างกายของคนนั้นคนนี้เห็นแล้วน่ารักน่าดูน่าชมอยากจะเอามาร่วมเพศด้วยทีนี้ต้องวิธีแก้ก็ต้องใช้ปัญญาคืออัศวภาให้เห็นส่วนอีกเห็นด้านอีกด้านหนึ่งของร่างกายร่างกายมันมีสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญ น, นี้มันมีทั้งหัวมีทั้งก้อยทัในใดร่างกายก็มีสองด้านด้านที่สวยงามก็มีด้านที่ไม่สวยงามก็มีถ้าเราต้องการนะครับ การอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องหันไปมองในด้านที่ไม่สวยงามเพราะว่าการอารมณ์มันเกิดจากการที่เราไปเห็นด้านด้านสวยงามของร่างกายพอเห็นร่างกายคนนี้สวยงามน่าดูน่าชมก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาอยากจะให้เขามาเป็นแฟนกับเราอยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาแต่พอเราไปมองอีกด้านหนึ่งของเขามองด้านที่ไม่สวยงามมองด้านที่น่าเกลียดมองด้านที่โสโครก เนี่ยร่างกายเนี่ยภายในร่างกายมีของสกปรกที่เราถับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆมีเหงื่อมีมีเงือมีน้ําปัสสาวะมีอุจจาระอะไรต่างๆที่มันขับถ่ายออกมามันอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี่แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นเราไม่คิดถึงมันเท่านั้นเองนอกจากของสกปรกแล้วยังมีของที่ไม่น่าดูเช่นโครงกระดูกนที่อยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไต มีลำไส้ไม่รู้กี่ขดอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี้พอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามในร่างกายที่สวยงามปับ๊บการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดับไปทันทีหรือจะมองว่าร่างกายเวลาที่มันเป็นซากศพก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่เป็นร่างกายที่น่าดูน่าชมอีกต่อไปถ้าเรามีแฟนมีสามีหรือมีภรรยาถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้เราจะทํางานกับร่างกายของเขา เรายังจะเก็บเขาไว้อยู่ในบ้านอยู่กับเขาต่อไปหรือเปล่าเราไม่เอาแล้วใช่ไหมยกให้คนอื่นได้เลยยกให้สับปะเลยไปเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าทิ้งอยู่ในร่างกายต่อไปมันก็ต้องขึ้นอื่นมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาทันทีหน้านี่แหละคือหน้าร่างกายที่น่ารักมันมีทั้งมันมีทั้งด้านน่ารักและมีทั้งด้านน่ากลัวเราไม่ยอมมองด้านน่ากลัวกันแล้วก็ไปหลงรัก แต่ถ้าเรานึกถึงด้านน่ากลัวบ้างต่อไปเราก็จะไม่รักร่างกายเลย<ม>ถ้าไม่รักร่างกายไม่หลงเห็นว่าร่างกายสวยงามเราก็จะดับการมโลมได้<ม>ถ้าเราดับการมโลมได้เราก็จะได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีเลยพระสกิรดาคามีนี้ยังระับได้เพียงครึ่งเดียวทำให้เบาบางลงไปเพราะว่าเห็นอสุภะไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็น เวลาเห็นการมลลมก็ลังคับไปเวลาไม่เห็นการมลลมก็โผล่ขึ้นมาได้แต่พอเป็นผนะ้านาคามีนี้เห็นตลอดเวลาเลยเห็นคู่กันไปเลยเห็นร่างกายที่สวยงามคู่ไปกับร่างกายที่ไม่สวยงามเห็น<ม>ทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในข้างนอกสวยงามแต่ข้งนางในนี้ไม่น่าดูเลย<ม>ต้องเห็นแบบนี้ทุกเวลานาทีก็จะสามารถกําจัดการมลลมได้การมลลมที่มากระตุ้นให้ใจวุ่นวายที่ทําให้ใจไม่สงบนี่ คือการมาราคะความอยากเสพกามนี้เป็นตัวที่จะทําให้ใจวุ่นวายไม่สงบแต่พอมีอสุภะเห็นอสุภะเท่นั้นการมารมก็จะหายไป ท, ทันทีจางหายไปใจก็จะกลับมาสงบพอเป็นพระนาคามีแล้วใจก็จะไม่ไม่ทุกข์กับร่างกายในทุกรูปแบบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับความสวยงามของร่างกายไม่ทุกข์กับความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกาย พอเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งด้านที่ไม่ด้านที่น่าดูและด้านที่ไม่น่าดูรู้ครอบท่วนบริบูรณ์ทาให้การมารมลที่เคยมีในใจนี้มันหดหายไปและหมดไปได้ใจก็จะสงบทุกไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ยุ่งกับร่างกายของใครต่อไปร่างกายของตนเองก็ไม่ยุ่งไม่กังวลร่างกายของตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ไม่ทุกข์กับมัน มันจะเป็นสุกเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุกเวทนาก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันเป็นธรรมชาติที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ผ้านาคามีนี้จะถ้าถึงขั้นผ้า น, นาคามมเนี่ยใจจะสงบเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายในทุกรูปแบบ<ม>และจะไม่สนใจไม่อยากจะมีร่างกายกต่อไป<ม>ถ้าตายไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดมีร่างกายกต่อไป<ม>จะไปอยู่เป็นเป็นพรม แล้วจะไปสําเร็จเป็นพระอาหาันในขั้นในสวรรค์ชั้นพรมต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าใครบอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็แสดงว่าเผยไตยแล้วเผยไตยว่าไม่รู้จริงแล้วถ้ารู้จริงแล้วมันไม่พูดอย่างนี้หรอกพระอนาคามีจะมาเกิดได้ยังไงพระอนาคามีปล่อยวางร่างกายไม่ยึดติดร่างกายไม่ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขเพราะไม่มีการไม่มีความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปถ้ายังมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย<ม>ต้องเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระสกิิดาคามีเนี<ม>พวกนี้ยังอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่พระพระโสดาบันก็อาจจะกลับมาเกิดได้อีกเจ็ดครั้งถ้ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้พระสกิิดาคามีก็จะกลับมา เป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียวแล้วก็จะบรรลุเป็นผ้านาคามียผ้าอารหันต์ตามลำดับต่อไปส่วนผ้าอารหันต์พอพอได้เป็นผ้านาคามีแล้วใจก็จะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายก็จะไม่ทำให้ใจวุ่นวายต่อไปแต่เรื่องของจิตใจนี้ยังวุ่นวายได้อยู่จิตใจยังมีสุขมีทุกข์ยังมี ม, มีมีเจริญมีเสื่อมได้อยู่คืออารมณ์ในใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ บางวันก็สดชื่นเบิกบานบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็เครียดบางวันก็สบายใจอารมณ์เหล่านี้พระอนาคามียังไม่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติยังไปอยากให้มันไม่มีอารมณ์เหล่านี้อยากจะให้อารมณ์เหล่านี้หายไปความอยากให้อารมณ์เหล่านี้หายไปเป็นตัวเหตุที่ทําให้ใจของพระอนาคามียังต้องมาทุกข์กับอารมณ์ของใจอยู่เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นเหมือนนั่งกายเป็นเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะ ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับต่างให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอหลังจากใช้ปัญญาพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแ ล, แล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้อารมณ์ต่างๆที่มีในใจนี้สงบตัวลงให้นิ่งให้ว่างให้เย็นอย่างเดียวอย่างนี้ทําไม่ได้เพราะ อารมณ์ต่างๆของใจยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่มีเจริญมีเสื่อมเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะเหมือนกับเวทนาเหมือนกับร่างกายอารมณ์เหล่านี้มันก็มีส่วนเพราะมันเกี่ยวข้องกับร่างกายมันเกี่ยวข้องกับเวทนามันเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนั่นเองร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะก็ดีเป็นเหตุที่ทําให้อารมณ์ในใจแปรปรวนบางวันก็สงบบางวันก็วุ่นวาย วันไหนร่างกายสบายใจก็อาจจะสบายตามได้เพราะวันไหนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาขึ้นมาใจก็วุ่นวายตามกว่ามันได้ถ้าจะต้องการให้ใจไม่ทุกข์กับความวุ่นวายต่างๆก็ต้องปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจอย่าไปอยากไปบังคับให้มันสงบเย็นสบายไปเพียงอย่างเดียวเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอพาวนาคามีพัฒนาอารมณ์ต่างๆจนเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นตาก็ปล่อยวางเันใจที่วุ่นวายไปกับอารมณ์ก็จะสงบตัวเหมือนกับเหมือนกัขณะที่อยู่ในฌาน อ, อันนี้ก็คือขั้นสุดท้ายของการทำใจให้สงบอย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่แปรปวนเช่นร่างกายก็แปรปวนรูปเสียงกลิ่นรก็แปรปวน อารมณ์ในใจก็แปรปวนเวทนาก็แปรปวนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครสามารถไปทําให้มันเป็นนิจจสุ ข, ขังอนัตตาได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจสุ ข, ขังอนัตตาก็จะต้องเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะไม่สามารถทําได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเข้าใจว่าร่างกายเป็นอ น, นิจจทุกขังอนัตตา เข้าใจว่าเมทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาได้ถ้าไปอยากแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่อยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถึงเมื่อจะต้องอยู่กับสิ่งที่แปรปรวนต่างๆ แต่สิ่งที่แปรปวนเหล่านี้จะไม่สามารถมาทําใจให้ทุกข์ได้เพราะใจมีปัญญารู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจกับสิ่งเหล่านี้เกิดจากความอยากของใจเองพอหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่แต่ใจก็ยังอยู่กับสิ่งแปรปวนเหล่านี้พอยู่เพราะพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ในขณะที่มีร่างกายอยู่ท่านก็ยังต้องอยู่กับการแปรปวนของรูปเสียงกลิ่นรสผัพสะต้องอยู่กับการแปรปวนของร่างกาย ต้องอยู่กับการแปรปรวนของเวทนาต้องอยู่กับ ก, บการแปรปรวนของอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏในใจเพียงแต่ท่านรู้ทันสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวนี่หยดน้ำก็คืออารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสกับใบบัวครูใจใจก็เพียงแต่รับทราบรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อสมัยที่ไม่มีปัญญา ใ, ใจจะไปอยากจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะก็อยากจะให้มันเป็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายที่ไม่เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวทนาก็อยากจะให้มันมีแต่สุขเวทนาอารมณ์ก็อยากจะให้มีแต่อารมณ์ที่สงบที่สบายแต่พอหลังจากได้ใช้ปัญญาเดินปัญญาพิจารณา ก็เห <S an> <ๆ>็นว <an> <ๆ>่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะทําให้ใจทุกข์ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงจากจากสุขไปเป็นทุกข์นี้มันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาได้เน้นท่าอรหันนี้สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงสิ่งตภาวัธรรมต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะร่างกายหรือเวทนาหรือธรรมอารมณ์ที่มีในใจ เพงแต่เข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วไม่ไปอยากกับมันท่านเองเพราะไม่ไปอยากไปยุ่งกับมันใจก็ไม่ทุกข์กับมันใจก็ไม่มีอะไรที่มาทําให้ใจทุกข์อีกต่อไปใจก็เป็นเหมือนใบบัวเวลามีหยดน้ําม า, ม า, ม, ามาสัมผัสกับใบบัวมันก็ไม่ซึมซาบเข้าหากันแต่ถ้าเป็นใจของผู้ที่ยังไม่มีปัญญามันจะดูดเข้าหากันทันทีเวลาสัมผัสกับอะไรนี้มันจะถูกความโลภความโกรธดึงเข้าไปทันที เป็นของที่ชอบก็โลภขึ้นมาทันทีเป็นของที่ไม่โชบไม่ชอบก็เกิดขึ้นมาก็โกรธขึ้นมาทันทีแต่ใจของพาอาาระอรหันต์พระพุทธเจ้านี้ไม่โลภไม่โกรธเฉยเฉยเวลาสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆเวลาสัมผัสกับสิ่งที่แปรปูนต่างๆก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้เฉยเฉยไปไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามามาสร้างกันมาปฏิบัติกันคือสร้างความสุขภายในใจสร้างการหลุดพ้นจากความทุกข์ ทุกต่างๆภายในใจด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่เอส่วนทานเราก็ทําไปตามกําลังของเรามีมากมีน้อยก็ทําไปอย่าใช้เงินทองเป็นเครื่องดับความทุกข์เพราะมันดับไม่ได้ใช้เงินทองเพื่อทําใจให้เรามีความสุขทําใจให้เราเป็นสวรรค์แล้วเราจะได้มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เพราะเราจะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆ เราเพียงแต่หาเงินหาทองพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเราก็จะได้มีวันพระมากขึ้นมีเวลาที่เราจะได้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมีเวลาที่เราจะได้มาศึกษาฝังเทศฟังธรรมมากขึ้นมาได้ฝังเทศฟังธรรมก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปพอปฏิบัติก็จะเกิดความหลุดพ้นความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยๆดับไปจนกระทั่งในที่สุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหลุดพ้นไปอย่างสิ้นเชิง ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่า น, นิพานขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พามาให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆให้ถูกกําจัดด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วใจก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากอยากได้อะไรจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากได้อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเกิด นี่แหละคือวันพระที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามีกันเพราะถ้าเราไม่มีวันพระแล้วเราจะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติทําได้อย่างเต็มรูปแบบได้คืนหนึ่งวันกันหนึ่งคืนอย่าไปทำอะไรอย่างอื่นให้เวลานี้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียว<ม>แล้วเราก็จะได้รับสัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้นตามลดับเบื้องต้นก็จะได้ความสงบจากสติก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปัญญา เพื่อที่จะรักษาความสงบจากสติให้อยู่ต่อไปด้วยการกําจัดกิเลสตัณหาที่ตัวที่มาทําลายความสงบของใจที่เกิดจากสตินี<ม>้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดสิ้นไปจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหมดไป<ม>การมีม้ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากก็หมดไปมไม่มีอะไรที่จะน้องทุกข์อีกต่อไปอ น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เรามีวันพระกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 อราสุยาธัสพิตโยวิวัชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง พาลาัง<า>ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่จะตอบคําถามกันได้ถ้าเลือกเราจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้ามาถามจะไม่ได้คาําตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็ต้องก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนามสกรครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติสามร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่สิบสามท่านทาง y o u t u ด e อกตรวีห้าสิบสามท่านทางวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดท่านัาานาานบฮ์ สี่ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิเก้าสิบสองท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสองท่านครับโยมอยากจะถามคำถามหน่อยเชิญนาไมโครโฟนไปเลยเอาพูดใกล้ๆปากหน่อยนะพูดดังๆกรับน้ำมาส ก, การค่ะท่านอ่พูดได้เลยโยมอยากทราบว่าการทีอ่อารมพระโสดาบัน จะตรวจสอบได้อย่างไรคะตรวจสอบว่าเป็นโสดาบันหรือไม่ค่ะจ ะ, จะรู้ได้อย่างไรคะก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมต้องตลอดเวลาใช่ไหมนั่นแหละต้องไปพิสูจน์ดูต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในป่าช้า ด, ดูแล้วเวลามีอะไรมาดูซิว่าใจเราเฉยเฉยได้หรือเปล่าถ้ายังไม่เฉยก็แสดงว่ายั ง, ย, ง, ย, งยึดยังติดอยู่ ยังถือว่าเป็นของเราอยู่แล้ววิจิกิจฉานะคะท่าน<ะ>วิจิกิจฉานะคะท่านอ๋อวิจิือความสงสายในพระพุทธประธรรมสอนมันก็จะหมดไปถ้าเราถ้าเราสามารถเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเรา<ม>เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราในร่างกายพอเราไม่อยากในร่างกายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นอริยสัจสีเ่เห็นธรรมเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ผู้เทียนทำเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงฆ์ก็ยังไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นจริงหรือไม่ค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งทีละพระตาก็จะไม่ไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมานังับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยากหรือเกิดจากบาปที่เราทำํำถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปทําบาปค่ะเราจะรักษาศิ่งไว้ตลอดชีวิตสินงท่าไว้ตลอดชีวิตถ้าเรายัง เชื่อเรื่องดวงเรื่องไม่เชื่อแล้วไม่เ ช, ชื่อแล้วเช่เลยอัตโนมัติใช่ไหมคะท่าจะเชื่ออย่างเดียวก็คือเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อเ ช, ชื่ออริยาาสัจสี่พอใจเราทุกข์เพราะเพราะกิเลสตัณหาของเราเองค่ะถ้าอยากให้ใจหายทุกข์ก็หยุดกิเลสตัณหาหยุดความอยากต่างๆไม่ต้องไปดูดวงให้เสียเวลาเพราะดวงเห็นแล้วว่าต้องแต่ต้องแก่เจ็บตายแล้วยอมแก่ ย, ยอมเจ็บยอมตายแล้วก็เลยไม่มีปัญหากับดวงอีกต่อไป ดงจะเคลื่นดวงจะลงมันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายค่ะขอบคุณค่หลวงพ่อทักษะหนูถามเพิ่มพระโสดาบันปฏิมักยังไม่ใช่ปฏิผลยังสามารถลงอบายได้ไหมคะได้เมื่อวานนี้ก็ตอบไปแล้วควาถามนี้ก็ยังไม่เป็นโสดาบันก็ยังมองไม่เห็นยังไม่เห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจริง ก็ยังไม่เชื่อว่าทำบาปแล้วจะไปไปอาบายก็ยังแก้าทำบาป อ, อยู่แต่ถ้าถ้ามนุษย์เป็นโสดาบันเราจะเห็นกฎเห็นกรรมอย่างชัดเจนเราทำบุญไปสวรรค์ทาบาปไปนรกเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปอก็ม า, มาส่งไมไปถามได้นะไม่ต้องเกรงใจ สนุกด้วยมีคําถามหนูหนูเคยหนูเคยยอมรับความตายมาแล้วแต่ทําไมตอนนี้หนูยังอืหนูยังมีความกลัวไม่ไม่สามารถละตัวตนได้จริงเพราะมัน<า>ยอมแบบยอมแบบฝืนใจยอมมันไม่ได้ยอมได้ปัญญาไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเรายังยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ใช่ไออแต่ยังเป็นตัวเราของเราอยู่ก็มันก็กลัวตายเออหนูหนูมีแต่ความคิด แต่มันไม่ลงที่ดวงจิตเจ้าค่ะ น, นั้นแหละเพราะจิตเราไม่รวมเป็นสมาธิมันก็ไม่เข้าถึงจิตกิเลสมันจะบล็อกไว้กันไหมต้องทําจิตให้ได้อัปปนาสมาธิเข้าฌานให้ได้แล้วตอนนั้นกิเลสที่บล็อกบล็อกทําก็จะถูกถูกกําจัดไปธรรมก็จะเข้าไปในใจได้น้องกพาพอาจารย์เจ้าค่ะอมีอท่านอยู่ทั้งหนังนั้นถามอะไรนะโอเค กราบดมาสการพระอาจารย์ที่ค่ะมีคําถามจากทาง youtube ถามเข้ามาว่ากราบนมํมาสการพระอาจารย์ขอสอบถามว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านเกี่ยวกับพระศาสนาจะพบคําว่ามารเช่นพระอานน์ถูกมารโดนใจหรือมารมาขัดขวางการทําความดีมานี้คือใครคืออะไรมานอยู่ในภพภูมิใดคําว่ามา น, นี้เป็นโดยสมมุติ ที่มันเป็นตัวที่มาขัดขวางธรรมะของเราเวลายานั่งสมาธิเพื่อนก็นมาชวนไปกินเหล้ า, านี่เขาเรียกว่ามารนมาแล้ว mm. อะไรที่มาขัดขวางการ mm. การเจริญธรรมะของเรานี่เรียกว่าเป็นมารนทั้งนั้น mm. เวลาจะทําบุญอยู่ดีๆก็เปลี่ยนใจเออเอาไปเที่ยวก่อนดีกว่า mm. มาร์นไปเที่ยวก็มาไม่ได้ทําบุญ mm. Mm. เรียกว่ามารนอะไรอะไรก็ตามที่มาขวางการทําความดีของเรานี่เราเรียกว่ามารนทั้งนั้น บางทีก็เป็นร่างกายของเราพอจะมาจองที่พักจะมาปฏิบัติธรรมสักสามวันเอาดัานเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสังขารมารมารที่เกิดจากร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางทีก็กิเลสมารอยากจะมาอยู่วัดพอดีเพื่อนมันชวนไปเที่ยวเปลี่ยนใจไปเที่ยวดีกว่านี้ค่ะกิเลสมารเอาประมาณตัวตัวตนไม่มีมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสิ่งที่มาขัดขวางการเจริญธรรมะของเราเราก็เรียกว่ามาร เจ้าคจากคุณเรืองยศเรียนถามพระอาจารย์ครับก่อนนอนหลังจากสวดมนต์ลและทำสมาธิแล้วผมมักจะเปิดย t ท b e ฟังเทศของพระอาจารย์หลายๆท่านจนหลับไปตอนนี้ฟังจากพระอาจารย์ทุกคืนจนฝันว่านั่งฟังพระอาจารย์เทศถือว่าได้สมาธิไหมครับไม่ได้หรอกมันหลับ ม, มันไม่มีสติ เราจะใช้ให้มันไม่หลับต้องนั่งฟังอย่าไปนอนฟังถ้านอนฟังมันก็สบายแป๊บเดียวมันก็เพ้อสติสติหายไปปป๊บมันก็หลับไปทันทีแล้วมันก็จะฝันความฝันที่ไม่ใช่เป็นความจริงอเจ้าค่ะจากคุณอุไรวันเรียนถามว่าการทำความดีขั้นพื้นฐานในแต่ละวันเราควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ทาให้ความพูดมีความสุข เช่นมีของก็ให้เขาบ้างมีเงินมีทองก็แบ่งให้เขาบ้าง อ, อย่าไปทําให้เขาเสียใจอย่าไปให้ให้เขาทุกข์ใจทําความดีคำวา่าดีก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นนี่ว่าเป็นการทําความดีและไม่เกิดโทษกับตนเราเองด้วยถ้าทําความดีแล้วทาให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ทำให้เราทุกข์นี่ก็ยังถือว่าผิดนะเช่นยอมอดข้าวเพื่อให้คนอื่นเขาได้กินข้าวแล้วเราก็ ทุกอย่างมันก็อย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นความดีมันดีกเกินไปมันดีไม่พอดีมันถ้ามันพอดีมันต้องดีทั้งสองฝ่ายคนให้ก็ดีคนคนรับก็ดีมีความสุขด้วยกันทั้งคู่งั้นการทําบุญทําทานบางทีก็ต้องรู้จักประมาณไม่ใช่ทำจนกระทั่งเราเสียหายเดือดร้อนแล้วต้องไปวุ่นวายไปยุ่งกับคนอื่นทําบุญจนเงินหมดแล้วก็ไปของเงินคนอื่นมาเก่นงนี้มันไม่ถูกนะ เจ้าค่ะคำถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมะนาุตินั่งสมาธิแล้วเหมือนสงบจิตนิ่งแต่นั่งไปสักพักเหมือนจิตปุ๊บตกเหวไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับตาหลับตามสติไม่ทันหรือเปล่าแต่พยายามตามดูลมหายใจและสติตลอดกิริยาจิตนี้คือหลับเข้าพวังไหมคะส่วนใหญ่ก็จะหลับแนละ้วพา้เป็นสมาธิแล้วมันจะ เป็นสิ่งที่แปลกประหาัามหัศจรรย์ใจเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยแต่ถ้าแบบผวังแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวังหลับเทนั้นเจ้าค่ะจากทาง a ฟ e b o o k คุณต้องศิลปภพฝากถามพระอาจารย์แยกจิตกับความคิดให้พิจารณาอย่างไรถึงแยกได้ชัดเจนครับก็หยุดความคิดเลยพอหยุดความคิดก็เดียวหรือแต่จิตอย่างตัวรู้อยู่ตัวเดียว วิธียากก็ต้องหยุดความคิดด้วยการใช้สติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวความคิดก็หยุดพอหยุดก็เหลือแต่ตัวจิตคือตัวรู้อยู่ตัวเดียวเจ้าคาจากยูทูปพระอาจารย์สอบถามพระอาจารย์ในสมัยพุทธกาลมีพระปัจจัยกับพุทธเจ้ามาก หลายพระองค์แม้ในเวลาเดียวกันในยุคในการปัจจุบนันนี้มีพระปัเ จ, จกะพุทธเจ้าหรือไม่คะเราไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่บอกเราจะไม่รู้ได้ไงพระปเจ๊พระปเ จ, จ, ะป จ, จกะพุทธเจ้าหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่บอกใครไม่สอนใครเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านเป็นพระปเ จ, จกะพุทธเจ้านอกจากถ้าเป็นคนที่มีอภิญญาสามารถดูใจของท่านได้รู้ว่ า, าใจของท่านนิสัยบริสุทธิ์ เจ้าค่จาะจาก y u ูทูปพระอาจารย์สอบถามพระอาจารย์การปฏิบัติสมาธิภาวนาทั้งสมถะและวิปัสนาจำเป็นต้องรู้จักชื่อในแต่ละขั้นไหมคะไม่ต้องรู้จักชื่อหรอรู้จักตัวมันก็พอใชาค่ะเวลาฟังเทศฟังธรรมแต่ละขั้นจะมีชื่อเรียกทำไปซื่อเรื่อยๆโดยไม่รู้ชื่อไม่สนใจว่าทำอยู่ขั้นไหนได้ไหมคะ ใช่ไม่ต้องสนใจเวลากินข้าวเราไม่สนใจว่าอิม่มอิ่มมากน้อยเท่าไหร่อิม่มสิบเปอร์เซ็นหรืออิม่มห้าสิบเอร์เซ็นหรืออิม100่มร้อยเปอร์เซ็นตกินเข้าไปจังกัรมันจะกินไม่หลงนมันนั่งสมาธิไปยังห้างจิตมันสงบมันนื่งอะก็พอคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนเดินจงกรมปกติก้าวขวานึกพุทธก้าว้ายนึกโท วันนี้มีความแปลกคือทำไปถึงช่วงหนึ่งเกือบเกือบครบชั่วโมงเวลาเก้าขวาก้องจากในใจว่าพุทธเก้าซ้ายกล้องจากในใจว่าโท ร, รู้สึกไม่ต้องนึกแต่มันมาเองต่อเนื่องโปรดชีนะครับก็ดีก็ทำต่อไปเราจะได้ไม่เหนื่อยมันมาเองเรนก็ไม่ต้องดึงมันตอนตอนน้นมันไม่มาเองแล้วต้องบังคับมันดึงมันออกมา เหมารเราท่องมนต์ส่วนมนต์เนี่ยใหม่ๆเราก็ต้องท่องบ่อยๆเพราะมันจําไม่ได้พอท่องไปเรื่อยๆต่อไปมันจําได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเดิมมันมาพอตั้งก็ปั๊บมันก็ไหลมาเลยอิพิปิโปั๊บมันก็ตามมาของมันเลยอะรประมเกิดจากการฝึกฝนอบรมอยู่เรื่อยๆพอมันจานาญแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติขึ้นมามีคําถามจากทางยูทูปพิจารณาเจ้าค่ะเราควรวานจิตอย่างไรครับ เมื่อเกิดการอาการติดปีติจิตคอยส่งไปเสพความอิ่มเอิบจากรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลที่เราศรัทธาและมีบุญคุณต่อเราครับนึ่งกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันไปให้อยู่กับสติอยู่กับความว่างความเย็นความสบายของใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นนามนิจังไม่เที่ยงเดี๋ยวพอมันหมดไปมันก็จะทาให้เราเศร้าได้ จากยูทูปอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามครับรักษาศีลห้าแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เรารักษาเราก็อิ่มใจชื่นใจอันนี้ไม่ทราบดีไหมครับดีการมีศีลก็ทํทำให้เราสบายใจเพราะว่าถ้าเราทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเป็นผลจากการรักษาศีล จากคุณจีรารัตน์บุญเวชกราบในมัสการค่ะการห้ามน้องชายที่มีสติไม่สมบูรณ์แต่ชอบทําบุญด้วยเงินจํานวนมากมากห้ามไม่ให้เขาทําบุญที่ควรจะทําอย่างไรจึงจะไม่เกิดผลเสียกับผู้ดูแลขอพระคุณเจ้าค่ะคือถ้าเป็นเงินของเท้าแล้วก็ไม่เดือดร้อนก็อย่าไปห้ามขเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องบารมีของเขาเขาอาจจะมีทานบารมีติดตัวมาเขาเวลาทำบุญเขาก็อยากจะทำเยอะๆถ้าเป็นเงินของเขาแล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ไปรบกวนคนอื่นเราวก็ปล่อยเขาทำไปแต่เขาจะทำของเขาหมดแล้วแล้วก็มาเดือดร้อนมามาทำให้ผู้่นเดือดร้อนมาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ต้องบอกเขาว่าแบ่งไว้เลี้ยงตัวเองบ้างอย่าทำไปหมดเพราะถ้าไม่ไม่มีเงินล้วจะไม่มีใครมาเลี้ยงเรานะต้องบอกเขาให้รู้เหตุรู้ผล คำถามจากทางเฟซบุกเจ้าค่ะจากคุณ AK Leb U ขออนุญาตกราบนักการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้าที่หนึ่งปีที่แล้วข้าน้อยได้กราบนักการกราบพระบรมสารีริกธ า, าตุนับทาตุอัครส า, าวกที่อัญเชิญมาท้องสนามหลวงทั้งสองวาระ ปรากฏว่าทั้งสองครั้งพอเดินไปหยุดยืนห่างสถานที่ปฏดิษถานราว 50-100 ถึงเมตรและตลอดเวลาการเดินประทักศิล์กราวบทบูชาพระบรม ส, สารีริกธาตุและบทสรรเสริญร ค, คุณพระรัตนาตายก็สะอื้นน้ำตาไหลคือความปิติในคุณพระรัตนาตายหรืออะไรคะก็จะเรียกว่าปิติก็ได้นะเป็นความป่าเพิ่มใจ ที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุท ธ, ทธเจ้าแต่เราก็ควรจะทำทุกวันให้มันเพิ่มทุกวันไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาที่มีพระพุทธเจ้าพระธาตุมาอยู่ตั้งทั้นเองพระเจ้าบอกว่าเราควรจะปฏิบัติทุกเวลา น, นาทีเพื่อความเพิ่มปิติสุขจะได้เกิดขึ้นทุกเวลา น, นาทีเจ้าค่ะจากทาง YouTube เปิดเทปเสียงสดมนในห้องพระจะได้บุญไหมคะแล้วแต่ว่าเราฟังหรือเปล่าน ถ้าเปิดแล้วเราไม่ฟังมันก็ไม่ได้บุญถ้าฟังแล้วใจเราสงบมันก็ได้บุญจากฮุนเอเคเลิฟ อ, อยู่ข้อที่สองไปตลาดสดเช้าแทบทุกครั้งมักมีปลากระโดดออกมาลงพื้นต่อหน้าอนนี้ถามนะมอวา น, นี้ถามนะข้อที่สามเวลาเจอนกบนพื้นเจออะไรเนะ เวลาเจอนกบนพื้นซึ่งบาดเจ็บแมวกัดหรือป่วยหนักทุกตัวมักสืบบินไม่ขึ้นไม่ค่อยเดินเดินได้ใกล้ๆหยุดหยุดคนอื่นไม่ช่วยบางคนบอกว่าอย่าช่วยแล้วมันจะตายจะบาปข้าน้อยสงสารช่วยชีวิตทุกครั้งคิดว่าถ้าปล่อยไว้อดตายบาดเจ็บตายหมาแมวหนูกัดตายจึงหาที่พมนักให้ป้อนอาหารป้อนน้ำ ต่อมานกตายไม่สบายใจว่านกตายเพราะสาหัสตั้งแต่ก่อนเราเจอแล้วเวลาผ่านไปเชื้อลุกลามช้ำนอกช้ำในหรือเราผิดพลาด ต, ตรงไหนไหมคะแผ่เมตตาอุทิศบุญส่วนกุศลให้ด้วยทุกตัวคะ่ะก็แล้วแต่เรานะ่มันการช่วยเหลือคนนี่มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือตัวที่เราไปช่วยเหลือว่าเราช่วยเข า, เขาอยูใ่ในสภาพที่เราช่วยเขาได้หรือเปล่า บางทีก็ช่วยเขาไม่ได้เขาจะต้องเป็นต้องตายไปแอีกส่วนหนึ่งก็คือเราผู้ช่วยเหลือเขาแล้วมีความสามารถช่วยเหลือเขาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ต้องดูทั้งสองส่วนนะเราก็ทําส่วนเราเราก็ทําให้เต็มที่ส่วนเขาก็อยู่ที่เขาว่าจะสามารถรับความช่วยเหลือได้ได้มากน้อยเพีงเยงไรบานนี้ก็ช่วยรับไม่ได้เขาต้องตายไปเราก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาอย่าไปเศร้าอย่าไปทุกข์กับเขา จากยูทูบพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าปฏิบัติธรรมเราได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ทราบตัวเราจะได้ทราบไหมครับรบกวนสอบถามครับทราบการปฏิบัติก็มีสติมันจะทราบทุกเวลานาทีของการปฏิบัติเจ้าค่ะจากคุณ AK เอเคิลฟยูข้อที่สี่ตั้งแต่เด็กชอบเล่นแมวค่ะไปไหนแมวก็ชอบมาหามาสีมาอ้อนตลอด เป็นวาชนาความผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติไหมคะหรือแมวรู้ว่าเราเราคนรักแมวคะถ้าเจอแบบนี้อีกควรทำอย่างไรคะก็แล้วแต่เราเราอยากจะเมตตาเขาเราก็ดูแลเขาไปเราไม่อยากจะเมตตาก็ไล่เขาไปเมตตาก็ได้ความสุขใจไล่เขาไปก็ไม่ได้ความสุขใจ <c oughs> คุณสมนึก กลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามปัญหาหน่อยครับผู้มีการ ม, มาราคะนั้นควรทำอย่างยังไงให้ตัดการ ม, มาราคะได้เด็ดขาดสาธทุครับดูอาการ3 2ของร่างกายไปเรื่อยๆดูบ่อยๆทุกครั้งเห็นร่างกายของใครเรามองทะลุเข้าไปภายใต้ผิวหนัง ให้เห็นโครงกระดูเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้แล้วการมาราคาก็จะหดท้ายไปจาก a ฟ e b o o k เจ้าค่ะกราบนมันสการท่รานพระอาจารย์ด้วยเสียรเก้าค่ะกราบเรียนถามเมื่ออยู่ในขั้นโสดายังสามารถเสพกรรมได้ การเสพการในขั้นโสดาบันถือว่าผิดข้อสามด้วยหรือเปล่าคะจะไม่ผิดจริงจะต้องเสพกับภรรยาหรือสามีของต น, นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นจากคุณยุคนจะหาพบงูในบ้านจะจับไปปล่อยแต่จับไม่อยู่จึงตีงูตายครับจะทำอย่างไรที่ลดแรงกรรมได้มากที่สุดครับลดแรงกรรมเลย ต า, าย<ะ>ไปเส็แล้วฆ่าแล้วก็ต้องไปรับผลต่อไปก่อนจะฆ่าก็ไปเรียกมูลนิธิเข้ามาช่วยจับก็ได้ต่อไปต้องมีสติคอยยับยั้งไว้อย่าไปทําบาปทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอยังไหม